ผมเว้นอยู่อยู่ชุดหนึ่งคือบรรดาประวัติของพระเถระทั้งหลายนะซึ่งอยู่ในคุณ ธ, ธากนิกายเถระคาถาเถารีคาถานะแต่ไปอินเดียคราวนี้ผมว่ายังไงไงต้องอ่านเรื่องนี้ให้ได้เลยก็ปรากฏว่าไปอินเดียคราวนี้ได้ประโยชน์อย่างนะเห็นประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ครับพระตรบิดก คือกุตการนิกายเทรคาถานี่นะเพราะว่าเป็นพระไตรปิฎกที่นำคำอุทานนะของผู้ที่บรรลุมรรคผลแล้วว่าท่านอุทานออกมาอย่างไรท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อท่านบรรลุนะครับพระหันเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นพระหันที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับเป็นอศีติสาวกเนะเป็นเป็นพระหันที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็ในอัตถกถาก็ได้อธิบายาได้เล่าถึงประวัติของพระเถระเหล่านี้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ ท, ที่ท่านาท่านมีคาถากล่าวว่ายังไงนะครับคือพระกัปปเถระคาถานะพระกัปปเถระคาถา พระกระปะเทระคาถานนี้นะครับได้บำเพ็ญบุญญาธิการมาในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมบุญเป็นอันมากไว้ในพบนั้นๆในกาและแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะได้เกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติเป็นอันมากพอบิดาล่วงไปรู้เดียงสาประดับประดาต้นการประพฤกด้วยผ้าอันวิจิตด้วยสีที่ไม่ ที่ไม่สดนา น, านาชนิดด้วยอาพรหลากชนิดด้วยแก้มณีต่างชนิดและด้วยมาราพวงดอกไม้เป็นต้นมากมายหลายชนิดแล้วบูชาสถูกพระศาสดาด้วยสิ่งของนั้นอ่านี่เป็นการเล่าแทบทุกพระองค์เลยนะครับแทบทุกองค์เลยนะครับที่มีชาติสุดท้ายที่ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์เนี่ยนะฮะ เป็นผู้ที่ได้เคยสั่งสมบุญบารมีมาในสมัยอดีตอนันตชาติอันยาวนานเป็นกับกับทุกองค์เลยไม่มีองค์ไหนเลยที่บอกว่าไม่ได้สั่งสมบารมีมาแล้วจู่ๆมันจะมาบรรลุในชาตินี้นะครับทุกองค์เลยบางองค์ก็ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นะครับาบางองค์ก็ทํากับพระปัจเจากาพพุทธเจ้านะครับสรุปแล้วก็คือว่า มีการสั่งสมบุญบารมีมาทุกองค์เลยไม่มีนะครับที่จะบรรลุ ง, ง่ายๆสําเร็จง่ายๆนะครับไม่มีนะครั บ, นะรบสําหรับองค์นี้นะครับามาในสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็ได้บังเกิดในราชสกุลซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องประดับในมคตรรัตนะ์ในแควนมคตนะครับพอพระราชบิดาสวรรคตแล้วนี่แสดงว่า เป็นเชื้อสายกษัตริย์เนี่ยราชสกุลนะครับทรงดำรงอยู่ในราชพระราชสมบัติแล้วทรงเป็นผู้ยินดีมากมากในกามทั้งหลายอย่างเรือประมาณอยู่เนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วนะครับก็เป็นผู้ที่มากมากในกามทั้งหลายนะฮะพระศาสดาทรงออกจากพระมหากรูณาสมาบัติแล้วทรงตรวจดูสัตว์โลกทอดพระเนตรเห็นเธอผู้มาปรากฏในข่ายพระยานแล้วทรงคานึงว่า จักมีอะไรหนอแลดังนี้ทรงทราบว่าพระราชาพระองค์นี้ได้ฟังอสุภากาถาในสำนักของเราแล้วอสุภากาถานะครับหมายความว่าคาถาที่เกี่ยวกับเรื่องอสุภทั้งหลายนี่นะครับเพราะว่าพระราชาองค์นี้ติดข้องในกามมากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงอสุภากาถาเพื่อแสดงถึงโทษของกามนะครับเพื่อให้ละกาม ทรงทราบว่าพระราชาพระองค์นี้ได้ฟังอสุภกาถาในสำนักของเราแล้วจะเป็นผู้มีจิตคลายความกำหนัดในกามทั้งหลายเสียได้พอทรงผนวดแล้วจักได้บรรลุพระอรหันตดังนี้แล้วเสด็จไปในที่นั้นโดยอากาศเหาะไปเลยพระผู้พิากสทรงเหาะไปเลยนะครับและตรัสอสุภกาถาแก่พระราชาพระองค์นั้นด้วยคาถาเหล่านี้ว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยของอากล และของอันมีมนทินเราเปรียบเทียบตัวเราดูเนอะไม่ตัวเราตัวเข้าก็ได้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยของอากูลและของอันเป็นมนทินต่างๆมีหลุมคูดใหญ่เป็นที่เกิดเป็นดุจจบ่อน้ำคร่ำอันมีมานานเป็นดุจจะฝีใหญ่เป็นดุจจะแผลให ญ, เให ญ, เใหญ่เต็มไปด้วยหนองและเลือด เต็มไปด้วยหลุมคูดมีน้ําไหลออกเป็นนิดมีของเน่าไหลออกทุกเมื่อโหไข่มั่งล่ะครับเนี่นี่แหละครับกายอันเปือยเน่านี้รัดรึงด้วยเอ็หกสิบเส้นฉาบทาด้วยเครื่องฉาบทาคือเนื้อห่อหุ้มด้วยเสื้อคือหนังเห็นภาพเลยเนาะเป็นของหาประโยชน์ไม่ได้ เป็นของสืบต่อกันด้วยร่างกระดูกคือเกี่ยวข้องอติดต่อกันนะด้วยกระดูกเกี่ยวร้อยด้วยได้คือเส้นเอ็นนะกระดูกเหานี้ติด ก, กันด้วยด้วยด้วยเส้นเอ็นเปลี่ยนอิรยาบทได้เพราะยังมีเครื่องประกอบพร้อมอยู่แปลว่าเอ็นเอ็นยังอยู่พร้อมนะเสื่อแสงยังอยู่ นรชนผู้ยังคลุกคลีนนะอยู่ในกามคุณเป็นผู้ตรัเตรียมไปสู่ความตายเป็นนิเนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวตายทุกคนนะนะเป็นผู้ตั้งอยู่ใกล้มัจจุราชจากต้องทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้เองไม่รู้ใครทิ้งปาชาไหนนะโรงบ้าบาไหนก็ไม่รู้กายนี้เองอาวิชาหุ้มห่อแล้ว คำว่ากายนี้เองอวิชาหุ้มห่อแล้วนี่สงสัยกายนี้จะต้องมีนามกายด้วยนะมิฉะนั้นอวิชาจะหุ้มห่อได้ไย่างไกเนื้อนะคํว่ากายคาเดียวนี้อาจจะต้องเป็นกายเนื้อด้วยนะครับและก็นามกายด้วยได้กับจิตเจตสิกนะกายเนื้อกระดันรูปกายนี้เองอวิชาหุ้มห่อแล้วถูกรัดด้วยเครื่องผูกสี่ประการ เครื่องผูกสี่ประการนี่สงสัยจะเป็นอะไรเน้อ ย, ยังไม่ได้ดูอัธกถาเลยครับเครื่องผูกสี่ประการอภิผ่านไปก่อนนะจมอยู่ในห้วงน้ำคือกิเลสป ก, ปกคลุมด้วยตาข่ายคือกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานประกอบด้วยนิวรห้าเพียบพร้อมไปด้วยวิตตก นี่ก็อกุศลวิตกเยอะแยะเลยนะเพียรพร้อมไปด้วยวิตกคงไม่ใช่กุศลวิตกแน่ไม่ใช่เนคข ม, มวิตกแน่เป็นอภยาพเป็นกามวิตกพยาปาทาวิตกวิหิงสาวิตกแน่นอนประกอบด้วยรากเง้าแห่งภพแมตรงนี้น่าคิดมากนะประกอบด้วยรากเง้าแห่งภพคือตันหาเนี่ยเนี่ยตันหานี่ละ่ะเป็นรากเง้าแห่งภพเนี่ย ตัญหาเนี่ยทำให้เกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นรากเง้าแห่งภพนะครับเพราะว่าไอ้เง้านี่มันเกิดขึ้น บ, บ่อยๆนะครับเช่นเง้าต้นไผ่เนี่ยแล้วเป็นเป็นหนอนเนี่ยแล้วครับเป็นเง้าแห่งภพคือตัญหาปกปิดด้วยเครื่องปกปิดคือโมหะหมุนไปด้วยเครื่องหมุนคือกรรมกรรมนี่แล้วทำให้เราหมุนไปเรื่อยๆนะ จากพบนี้ไปพบนู้นจากมนุษย์เป็นสัตว์จากสัตว์เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาเป็นพรหมพรหมลงมาเป็นสัตว์นรกอีกอะไเนี่ยหมุนไปเรื่อยเพราะกรรมแท้ๆเลยร่างกายนี้ย่อมมีสมบัติเป็นคู่กันมีความเป็นต่างๆกันเป็นธรรมดาปุถุชนคนอันธพาลเหล่าใดมายึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นของเรานี่สักกายที่ถีแล้ว นะนี่สักกายะที่ตีแล้วผูุ้ชนคนอันธพานเหล่าใดมายึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นของเราใครบังยึดใครไม่ยึดบ้างครับมีไหมไม่มีเนอะยึดหมดเลยย่อมยังสังสาระอันน่ากลัวให้เจริญเนี่ยการยึดวัดตัวของเรานี่แหละนะเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนึ่งอะ เห็นผิดอย่างหนึง่งน่ะเป็นสักกายัติทีินะบุทุชนเหล่านั้นย่อมถืออาพบใหม่อีกกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใดละเว้นร่างกายนี้อัญชาบทาด้วยคูดบุจาละนะดังบุรุษผู้ประสงค์ความสุขอยากมีชีวิตอยู่เห็นอสารพิษแล้วหลีกหนีไปฉะนั้น กุลบุตรเหล่านั้นละอวิชาอันเป็นรากเง่าแห่งพบแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพานตรงนี้นะ่าคิดทีเดียวนะถ้าหากว่าเห็นภัยของขันท่าของร่างกายของกายเนี่ยทั้งทั้งกายเนื้อด้วยและนามกายด้วยนะทั้งรูปกายและนามกายด้วยนะต้องเห็นต้องต้องเห็นโทษของทั้งสองกายนี้นะจึงจะละศักกายทิฏฐิได้ นะครไม่ใช่กายเมื่อกี้ฟังฟังดูคล้ายๆว่าพูดถึงแต่กายรูปกายใช่ไหมนะแต่ว่ามันมีกายนามกายด้วยนะครับแล้วนามกายนี่ละยากเหมือนกันนะไอ้กายที่เป็นรูปกายนี่พอเห็นนะว่ามันโสโครกมันมันไม่มันตกกปรกยังไงมันอสุภาษณ์ยังไงนะแต่ว่านามกายนี่รู้สึกว่าจะเห็นยากสักหน่อยมั้งครับมีไหมครับว่าจิตร่างกายนี่มีแก่นะครับ แต่จิตนี่มีแก่ไหมครับเจตสิกมีแก่มหมครับเขาเรียกว่าชาราที่ที่ไม่ปกปิดเออชาราที่ปกปิดะนะเนะ่เป็นไม่เหมือนกับร่างกายใช่ไหมร่างกายนี่มันเป็นชาราที่เปิดเผยแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นชาราที่ปกปิดอ่างนั้นแสดงว่าเห็นยากนะเห็นยากกับรูปรู ป, ปกายนะแต่เห็นก็ สังเกตเมื่อรู ป, ปรกายมันเสื่อมทอมนามากายก็เสื่อมไปด้วยเพราะว่าเช่นความจำเนี่ยเลอะเลือนไปนะความคิดไม่แล่นเหมือนเดิมละ ก, ก็ก็เลยสงเคราะห์ว่าเอานามกายนี้ก็ชราเหมือนกันครับท่านเพิ่มเติมนิดหน่อยพอนะเก็บไว้พูดพรุ่งนี้มลื้อนี้ต่อนะพระราชาพระองค์นั้นนะได้ฟังแล้ว เป็นไงั้าครับพอสับสุภกถาแจมแจ้งแล้วว่าถึงสภาวะแห่งสรีละอย่างแท้จริงซึ่งซึ่งขันมีอาการเป็นเนกต่อพระพักพระาศาสดาก็รู้สึกอึดอัดละอารังเกียดมีพระไทยสังเวทต่อร่างกายของพระองค์ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์พึงได้บรรพชาในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเห็นไหมครับว่ามีไหมครับเป็นพระราชาอยู่เนี่ยฟังแล้วขอบวชเดี๋ยวนี้เลยแล้วเราไม่เป็นพระราชาสักหน่อยเลยเนี่นะเราบวชยากนะไม่ใช่ง่ายนะยแต่ว่าผู้ที่มีชาติสุดท้ายนี่นะผู้ที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยซึ่งถือว่าชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยต้องบ่มบารมีมาอย่า ง, างเต็มเปี่ยมแล้ว เพราะฉะนั้นฟังเท่านี้นี่ออกบวชได้จริงๆนะสะละราชสมบัติออกบวชนี่ไม่ใช่ของธรรมดานะอยู่ในราชสมบัติคิดดูที่ว่าจะมีความสุขแค่ไหนจะมีเรื่องกามคุณเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนยังละได้แสดงว่าสะสมมานานฟังอสุภาพปั๊บนะสลดเลยใจใจิตใจสล ด, ด, ดหดทูเลยนะขอบรรพชาเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงมีรับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงไปจงให้พระราชานี้ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วจึงมาเถิดนีแสดงสมัยก่อนที่บวญไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าสมัยพระพูม พ, าพภาคอภิกขุอุปสมบทานี่นะ ภิกษุรุ่มนั้นได้ตะจะปัญจกะกรรมฐานแล้วภิกษุรุ่มนั้นคือผู้ให้บวชนะนะเป็นผู้บวชนะนะให้ตะจะปัญจกะกรรมฐานแล้วอันนี้เพิ่มนิ้งได้ไหมครับคือกรรมฐานอะไรครับเรียกว่าตะจะปัญจกะกรรมฐานก็คือกรรมฐานมีหนังเป็นที่หนะ้าให้พิจารณาผมคนเล็บฟันหนัง นะมีหนังเป็นที่ห้าเรียกว่าตะจะปัญจกะก ร, รมฐานแต่ในขณะเดียวกันก็สอนไม่ใช่ว่าให้แค่นี้น ะ, อ, ะอันนี้เป็นตัวหลักในการพิจารณาคำสอนเสร็จแล้วก็ให้พิจารณาผมเป็นต้นนั้นโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยโอกาสโดยประเชดและก็โดยความเป็นรูปธปรรมว่ามีรูปในนั้นเท่าไหร่อะไรบ้างนะ แล้วรูปเหล่านั้นเป็นที่อาศัยเกิดของนามอะไรได้บ้างต่อไปก็พิจารณาโดยความเป็นขันธ์ธาตุอิยตะนะนะต่อไปได้เลยพริภิกษุรูปนั้นเนี่ยก็เป็นอุปชาใช่ไหมครับเจนผ่านเมื่อบวชให้อ่พระราชาเนี่ยก็ให้กรรมาฐานที่ว่าตัจะัปัญจกะกรรมาฐานเนี่ยตะโจนเนี่ย <c oughs> วันหนังเนี่ยนะครับอันที่จริงถ้าเราบวชมาแล้วเราเคยเคยได้รับ ก, กรรมาฐานจากอุปชานะครับ เกสาโลมาหนักขาธันตาตะโจตะโจตหนักขาโลมาเกสานี่นะเอาต้องให้คล้องอย่างนะัขึ้นๆลงๆนี่นะแต่ว่ามันรู้เรื่องเลยอันนั้นะบวชมาแล้วเหมือนกันมันได้รู้เรื่องมันได้เรื่องเลยภิกษุรูปนั้นให้ตัจปัญจ ก, กะกรรมฐ า, านแล้วให้พระราชาพระองค์นั้นได้รับบรรพชาพระราชาพระองค์นั้นในขณะจรดมีดโกนเท่านั้นก็บรรลุพระรหัสแสดงว่าโอ้โหบา ร, รมีนี่บ่มเต็มเปี่ยมเลยนะ นีอินทรี่ห้าเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยนะ <c oughs> พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเอาสินะปฏิสัมพิทาทั้งหลายมีตั้งแต่อ่าหนึ่งคืออะไรนะอัตถปฏิสัมพิธานะครับธรรมปฏิสัมพิธานิรุติปฏิสัมพิทาแล้วก็ปฏิภาณปฏิสัมพิทาได้ครบเลยอะ่ะโอ้โหนี่ยนะด้วยเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวไว้นะ ในอัปทานว่านี่เป็นคำอุทานของผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ใหม่ๆนะเราได้คล้องผ้าอันวิจิตหลายผืนไว้ตรงหน้าพระสถูปอันประเสริฐสมัยท่านสมัยท่านเมื่อหลายกลับมาแล้วเนี่ยนะท่านได้ท่านได้ไ ด, ได้ทาบุญไว้เนี่ยคือได้คล้องผ้าอันวิจิตหลายผืนไว้ตรงหน้าพระสถูปอันประเสริฐ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะแล้วตั้งต้นกระลประพฤกไว้เราเข้าถึงกำเนิดใดๆคือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆต้นกรลประพฤกอันงามย่อมประดิษฐานอยู่ใกล้ประตูเราเนี่ยนะครับในการที่เราได้มีโอกาสทำบุญนะครับทำทำบุญกับพระอริยเนี่ยมีมีอนิสงส์สูงมากเลยนะครับถ้าเราทำมีโอกาสทำกับ พระพุทธเจา้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยยอดเลยเพราะฉะนั้นคําว่าความหมายของว่าอรหังเนี่ยนะคือพระพุทธรูปเนี่ยนะครหมายความว่าเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะครเพราะว่าพระองค์เนี่ยนะผู้ที่พระองค์เนี่ยจะทําให้ผู้ที่ถวายปัจจัยเนี่ยนะครับได้อา น, นิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราเราลึกถึงพุทธคุณเนี่ยนะครับ เราเรารึกถึงข้อนี้ข้อหนึ่งคําว่าอาหัางเนี่ยในจำนวนห้าหกข้อเนี่ยนะว่าพราะองค์ไม่มีกิเลส ก, ก็ดีพระองค์ทาลายกิเลสก็ดีพระองค์เป็นผู้ที่สมควรแก่ปัจจัยก็ดีหรือว่าพราะองค์เป็นผู้ที่ออะไรนะครับหักซี่กรรมแห่งสังสารวัฏเนี่ย ท, ที่เป็นพุทธคุณเนี่ยนะครับถึงบัลหลังท่านมาบรรยายทันทีนะครับพุทธคุณนี่น่าสนใจมากทีเดียวนะเราเราลึก พุทธานุสติได้อย่างดีเลย <นะ S 1> แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรายละเอียดเนี่ยมากจริงๆริงเลในชั้นรายละเอียดเนี่ยมากเมื่อมากนั้นก็ต้องเอาเป็นเรื่องๆไปก่อนน่าสนใจครับผมฟังเทปของอาจารย์อาจารย์ทรงเกียรติซึ่งได้เสียชีวิตมานานเร็วๆนี้เองอาจารย์ทรงเกียรติตายแล้วนะฮะท่านได้บรรยายพุทธคุณไว้ในเทปมาฟังดูแล้วอื เข้าใจแล้วก็จเจริญพุทธคุณได้ดีทีเดียวคใครสนใจก็หาซื้อได้นะครับผมว่าต่อนะไม่ออกนอกเรื่องปรเดี๋ยวมันจบเร็วผมไม่มีอะไรจะพูดนะเราเข้าถึงกำเนิดใดๆคือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆต้นกรปะปรปกอันงามย่อมประิตสถานอยู่ใกล้ประตูเราไปเกิดเป็นเทวดาก็มีต้นกรปะปรปกไปเกิดด้วยนะครับ เวลานั้นเราเองบริษัทเพื่อนและคนคุ้นเคยได้ถือเอาผ้าจากต้นกละปะพึกนั้นมานุ่งห่มในกับที่เก้าสิบสี่แต่กับนี้โอ้โหเราได้ตั้งต้นเราได้ตั้งต้นกระปะพึกไว้ด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้สึกทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการตั้งต้นกละปะพึกและในกับที่เจ็ดแต่กับนี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิแพระองค์ทรงพระนามว่านี่นะครับสมบูรณ์ด้วยแก่เจ็ประการมีพละมากคุณวิเศษมากเราได้สําเร็จแล้วหมายความว่าท่านได้รับอนิสงส์นี่เยอะแยะหมดเลยนะครับแล้วก็ท้าทุกพระองค์นะครับที่พระเทราเหล่านี้นะได้มีโอกาสได้ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าในอดีตหลายพระองค์เช่นพระมหาเช่นพระกัสสปะพุทธเจ้าพระสิขีพระโกนาคมณนะ พระอะไรนะอัญญาโกนธัญญาพระสิท ธ, ธัตถะพระเวสภูโอเยอะนะพุททเจ้ามีองค์นะรับพระพุทธเจ้าเฉพาะมาในคำพีพุทธวง์นี้็ประมาณยี่สิบสี่พระองค์นะที่ที่พระผู้มีพระภาคของเราได้ทรงพบนั้นแต่ที่จริงแล้วก่อนหน้านั้นก็มีอย่างเช่น พระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรสระนังกรทีปังกรโกรนัญญาสุมังคละเรวตะโสมัททสี อ, อโนมัททสีปิยะททสีอัฏฐททสีธรรมทัสียังไงหรือพระพุทธเจ้าตั้งแต่สิกีเวสภูกกุสันโธโกนาคัมโนกัส ป, ปะจนถึงพระพุทธเจ้าของเราทุกวันก็อย่างพนามว่าโคโดมอนาคตต่อไปก็พระศีอริยะเมตยัย เพราะฉะนั้นถ้าใครติดในกามมากๆนะก็นี่แหละครับนะเอาไปท่องไว้ผมนึกว่าเอ๊ะถ้าจะต้องเอาไปท่องไปมั่งเนี่ยนะแต่สูตรนี้ยาวจังเลยน ะ, <c oughs> ะสำหรับเทรคาถานี่ก็อ่านไม่ยากนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาไปอ่านนะหรือซื้อมาสักเล่มหนึ่งนี่ครับซื้อมาเล่มเดียวก็ได้มาอ่านโอ้หน้าอ่านมากเลยนะถ้าว่า ท่านเป็นสุภาพสตรีก็ซื้อเถรีคถามาอ่านนะดูที่ว่าผู้หญิงอ่ะนะท่านบรรลุมรคผลแล้วเนี่ยท่านคิดยังไงอ่ะยังท่านอาจารย์สมบัติอยากชอบอ่านหนังสือเถระคถาเทรีคถาเพราะว่าสงสัยว่าผู้ที่สําเร็จมรคผลเนี่ยท่านคิดท่านนึกยังไงใช่ไหมครับจึงสนใจทุ่อสนใจว่าทําไมท่านจึงบวชนะ ท่านบวชแล้วท่านคิดอะไระท่านคิดอะไรแล้วท่านปฏิบัติอะไรท่านเหล่านั้นทํายังไงศาสนาจึงมาถึงเราคําสอนเหล่านั้นยังรักษาไว้จนถึงเราแต่ทําไมเราว่าอจะถึงลูกถึงหลานต่อไปหรือเปล่านะเราทําอะไรอยู่เหมือนท่านไหมไอ้ที่เหมือนนี่เหมือนกันตรงไหนบ้างไอ้ที่ไม่เหมือนนี่คืออะไรและอย่างหนึ่งการศึกษา เทระคาถาหรือเทรรคาถาเพื่อให้เห็นสังฆคุณมากขึ้นว่าท่านเหล่านั้นคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสอนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงไม่เอยนเอียงไปในลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อบรุษมรคนิพพานจริงๆแล้วท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมได้บรุมรคนิพพานเป็นอริยบุคคลเมื่อท่านเหล่านั้นเป็นพระอริยบุคคลแล้ว ก็เป็นนาบุญของโลกเป็นผู้ที่ควรแก่การต้อนรับเป็นผู้ที่ควรแก่การเชื้อเชิญเป็นต้นอันท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยที่จะให้ศาสตร์ทั้งหลายได้ไปเกี่ยวข้องได้บำเพ็ญบารมีกับท่านต่อไปอีกอันผู้ที่ไม่ได้สะสมบุญแล้วที่จะได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามถ้าทำคำสอนนี่ก็ก็เป็นของยาก วันนี้ผมผมมีมีคำภีที่ท่านยังไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักนะครับนั่นคือมิลินทปัญหาแต่ก่อนนี้ผมเข้าใจว่ามิลินทปัญหานั้นเนี่ยเป็นหนังสืออ่านเล่นครับผมนึกว่าโอ้เป็นหนังสือแต่งเป็นทำนองนิยายอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> ไม่เข้าใจครับ แล้วก็การแปลก็ไม่ได้แปลลักษณะเป็นคัมภีร์อย่างนี้ด้วยแปลเป็นหนังสือนวนินยายเล่มหนาๆอย่างนี้ครับเพราะอ่านแล้วคนนึก ไ, ไม่ไม่รู้เรื่อง น, นะฮะแต่ปรากฏว่าคัมภีร์นี้นะเป็นคมภีร์ที่เก่าแก่มากเลยนะฮะบรรดาคัมภีร์ทั้งหลายนี่นะเป็นลักษณะเป็นอัตถคถานะครับไม่ใช่ตัวบาลีนะไม่ใช่ตัวบาลีเป็นอัตถคถา เกิดขึ้นเมื่อสมัยประมาณ500ปีหลังพุทธกาลหลังพุทธปรินิพานนะฮ ะ, ะมาณ500ปีเป็นการโต้อตอบปัญหาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินซึ่งปกครองอินเดียสมัยนั้นนะฮะซึ่งเราเรียกว่าพระเจ้ามิรินเนี่ยนะครับเป็นเชื้อสายกรีกนะครับเพราะกรีกเคยลุกลานประเทศอินเดียแล้วเข้าไปปกครองไปอินเดียมาอยู่สืบสันติวงศ์มาหลายชั่วกษัตริย์นะครับ ก็สมัยที่พระเจ้ามิลินเนี่ยนะครับก็มพีพระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่นะพญามิลินนี่เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องปรชัชญาในเรื่องศาสนาก็มีความสนใจในเรื่องอพุทธศาสนาแล้วก็มีความรู้ด้วยนะแล้วก็สมัยนั้นก็ตรงกับที่พระเถระองค์หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากเป็นพระอาหารหันต์นะครับชื่อว่า เป็นชื่อว่าพระนาคเกษ น, นะฮะเป็นพระอรหันต์นะก็เป็นการตอบโต้ปัญหากันต่างๆซึ่งปัญหาเนี่ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเราจะได้ยินบ่อยๆความจริงเนี่ยนะปัญหาที่เราถามถางทุกวันเนี่ยความจริงมีหมดนะครับในหนังสือเล่มนี้นครับนในมิลินทปัญหานี่นะครับนี่นะครับมิลินทปัญหานี้นะฮะเล่มนี้เป็นเล่มที่ แปลมาจากคัมภีร์พมา่าเพราะว่าคัมภี์เหล่านี้เป็นคำพีที่มีชื่อเสียงมากในพุทธศาสนานะครับก็มีต้นฉบับเป็นภาษาพมา่าเป็นบาลีนะแต่ว่าอักษรพมา่านะครับแล้วก็เป็นฉบับภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์กบิลลกาลเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ ผู้เชี่ยวชาญในภาษาบาลีมั้ครับก็ได้เทียบเคียงทั้งสามฉบับนะฮะแล้วก็แปลมาปรากฏว่าฉบับของพ ม, ม่านี่สมบูร ณ, สรณ์สมบูรณ์ที่สุดนะใกล้เคียงกับฉบับของอังกฤษมากที่สุดนะเราลองมาดูซิว่าปัญหาเหล่านี้นี่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นพันปัญหามั้งนะเพราะว่าสามเล่มใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนยครับสามเล่มเนี่ยเป็นปัญหาถามโตอตอบระหว่าง พยายามรินกับพระนาคเกษนเนี่ยเยอะแยะเลยนะน่าสนใจแล้วก็น่าจะเอามาอ่านได้นะครับอย่าเอาเวลาไปดูทีวีมากนักนะแลมีเวลาอ่านผมไม่ได้ว่าใครนะผมว่าคนข้างๆผมเองนะอ่าเราลองมาดูสักปัญหาหนึ่งนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยปัญหาเนี่ยเราเคยพูดกันไหมนะก็มีผู้ที่กล่าวว่า ก็คาราวะเนี่ยก็สามารถบรรลุมรคนได้ในสมัยพุทธกาลนี่เยอะแยะเลยใช่ไหมครับก็มีครอบครัวอยู่อย่างเนี้ยก็ยังบรงบรลุเป็นถึงพระอนาคามีได้ไม่ต้องกล่าวถึงว่าบารรลุปเป็นพระโสดาบันได้ใช่ไหมครับเยอะแยะเลยและพระภิกษุที่บวชเนี่ยนะโอ้โหบวชนี่ไม่ใช่ของง่ายนะเนี่ยต้องอยู่ในข้อบังคับอยู่ในวิ น, ยนัยน่ยอยู่ในอะไรต่ออะไรโอโ้แสนจะลําบากนะถ้าอย่างนั้นเนี่ย ถามว่าถ้าจะปฏิบัติชอบด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเนี่ยนะใครจะบรรลุได้เร็วกว่ากันนะใช่ไหมมีประโยชน์ไหมที่ออกมาบวชอย่างเนี้ยก็มีคาวเป็นคารวะอยู่ก็สามารถที่จะบรรลุได้ทําไมจะต้องออกมาบวชด้วยนะพัญาไม่ลินชักสงสัยใช่ไหมเอออันนี้น่าคิดใช่ไหมนะแล้วทําไมต้องบวชแสดงว่าบวชบวชดีกว่าแล้วไม่ดีกว่านี่ชักสงสัยนะเรามาดูดีว่า ปัญหานี้ชื่อว่าขิหีปับพรชิตขีหีแปล ว, ว่าคารวนะนะบรนพรชิตกับปรับพระชิดนี่แหละบันพระชิดนี่แหละครับคือนักบวชเนี่ยสัมมาปฏิบัติปัญหาพระเจ้ามีรินถามพระนักเสนว่าพระคุณเจ้านักเสนพระผู้มีพระพราคเจ้าทรงพาสิทความข้อนี้ไว้ว่า ดูกอรพิกสูทั้งหลายเราขอกล่าวถึงสัมมาปฏิบัติของผู้เป็นคฤืหัสและของผู้เป็นบันพชิตดูก่อนพิกษุทั้งหลายผู้เป็นคฤืหัสก็ดีผู้เป็นบันพชิตก็ดีซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบย่อมเป็นผู้ทรรมยายธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จได้เพราะเหตุที่ได้ ก็ซ้ำมาปฏิบัติไว้นี่พระองค์ตัดไว้ยี้นะคือข้อความเหล่านี้เนี่ยนะมีปรากฏในในคัมภีร์ในบาลีพระองค์เคยตัดไว้บอกว่าทั้งขลือหัดและบรรพชิตนี่แหละถ้าหากว่าปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นผู้ทำยายธรรมที่เป็นกุศลให้สําเร็จได้นะยายธรรมก็หมายความว่าอริยมรรคกนะันนะนะสา ม, มารถบรรลุมรรคผลได้นะครับ อพระคุณเจ้านาเ ก, กษตนะถ้าหากว่าพวกคระลื้อหัดครองผ้าขาวบริโภคกามครองที่อยู่ที่แอาอาัดไปด้วยบุตรและภรรยาสเสวยจันหอมจากแคนกาสีทัดทรงพวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายยินดีทองและเงินประดับต่างหูและมุ่นมวยผมแปลกแปกกัน ก็เป็นผู้ปฏิบัติชอบทํายยจธรรมที่เป็นกุศลให้สําเร็จได้แปลกไหมสมัยนี้ไงเขาลืหัดทาลิปสติกอยู่ยังทําผมอยู่ใช่ไหมยังแต่งตัวอยู่ยังยินดีในเงินในทองอยู่บางคนยังไปทําสาริยกรรมตกแต่งอีกนะเนี่ยนะแต่เป็นผู้ปฏิบัติชอบเนะี่ย ทำยญายธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จได้แม้ผู้เป็นบรรปชิตครองผ้ากาสาวะนี่ครับเนี่ ย, ยสององนะครับอาศัยก้อนข้าวของผู้อื่นผู้ทำให้บริบูรณ์โดยชอบในกองสีในกองศษสีนะครับเหมือนว่าพระภิกษุนี่นะเนี่ยนะต่างกับคารวานนะเนี่ยครองผ้ากาสาวะ แล้วก็อาศัยก้อนข้าวของผู้อื่นผู้ทําให้บริบูรณ์โดยชอบด้วยกองศีลสี่กองศีลสีส่ก็คืออะไรครับคุณบุญชูอเก่งมากมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับสี่อย่างอ้าวหนึ่งนำนำก่อนหนึ่งปาปาติอะไรปาติโมคขสังบารสีน่นะเนออะไรอินอะไร อินอะไรอินศียะสังวรศีลโอ้หมอเก่งแล้วอีกสามปัดปัจเยะสันนิศิตศีนศีอาโอ้เก่งมากเก่งมากสอบผ่านทุกคนผู้ทำให้บริบูรณ์โดยชอบในกองศีลสีหมายความว่า พระภิกษุต่างกับคาราวะเยอะนอะเนี่ยต้องอยู่ในศีลกองศีลสี่ประพฤติสมาทานสิกขาบทหนึ่งร้อยห้าสิบนี่นะครับเนี่ยมีพยานอยู่ตรงนี้ท่านต้องประพฤติอยู่ในสิกขาบทหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นวินัยที่เป็นแค่หัวข้อเท่านั้นนะยังไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรเยอะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ อ, อ๋อท่านเพิ่มหน่อยครับธนอาชีพเนี่ย คือ150นั้นเป็นเป็นหัวข้อที่ยกขึ้นสูงุเทศนะก็คือปาราชิก4อย่างเงี้ยสังฆาทิเศษสสแล้วก็ลิสกิยะปาจิตีสามปาจิตีเิปาติเทสินิยะสี่ที่เอามาสวดทุกทุกวันทีนี้ตอนหลังพอปฐมสังคารนาครั้งที่1พระมหากัตปะเป็นต้นก็รวบรวมเพื่อให้สวด เสเขียวัตรเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นสองยข้ออันนี้เป็นเป็นหัวข้อนะเป็นหัวข้อที่พิกษุทั้งหลายต้องยกขึ้นมาสวดทุกๆสิบห้าวันแต่ว่าดูส่วนในชั้นรายละเอียดนั้นแต่ละข้อเนี่ยมีมากแล้วก็ยังมีพระวินัยที่นอกปาติโมกอีกนอกปาติโมกเขาเรียกว่าอยู่ในคันธะในคันธะตั้งแต่ว่ามหาคันธะเป็นต้น เรื่องวัดตักคันตะเรื่องการประพฤติเรื่องการปฏิบัติเรื่องสังฆกรรมต่างๆนี้อยู่นอกปฏิโมกข์ทั้งนั้นเลยดันั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพระวินัยที่ที่จะต้องเข้ามาประพฤติแต่ว่าในทั้งหมดเหล่านั้นก็คือเจตุ ป, ปาริสุทธิศีนนั่นเองครับนะสรุปแล้วก็คืออยู่ในเจตุ ป, ปาริสุทธิ์ทศินนั่นเองนะครับในข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ซึ่งท่านจะต้องอยู่ในวินัยถึงร้อหข้อประพฤติในทุดงคุณจิตสา บางองค์นั้นเนี่ยเพื่อขัดกราวกิเลสมากขึ้นเนี่ยนะก็ยังถือทุดงสิบสามข้อนะถือที่ดงสิบสามข้อเนี่ยโอ้โหนี่ไม่เชยธรรมดานะเช่นมีอะไรบ้างครับเช่นหนึ่งใช้ผ้าไตจีวรเท่านั้นนะเช่นอย่างนี้ใช่ไหมหรือหรือว่าท่านถือเปล่าครับถือไตรจีวรผ้าอย่างอื่นไม่ใช้เลยนะขอใช้สามผืนเนี่ย นะะมีมีผ้าอะไรมาครับมีสบงสบงสังคติสังคติสาผืนเท่านั้นนะนนโอ้โหแล้วหน่าหนาวนี่แย่เลยครับแต่ว่าเพื่อเป็นการขัดเกลานะในทุดดงต่างๆนี่มีสิบสามข้อมีข้อที่อ่อ่น่ า, น, าน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คื อ, อมี เยอะหนังมันขาดไปแล้วมไม่ชำนาญเหมือนท่านอ่ะนะอ่าเช่นบางองค์นั้นเนี่ยนะถือว่าอยู่ป่าช้าเป็นปกติบางองนะเพื่อจะขัดเกลากิเลสนะวันนั้นเนี่ยฉันพอนั่งฉันแล้วลุกแล้วไม่ฉันต่อแล้ว ใครจะมาถวายก็ไม่ฉันนะบางองค์บอก่ฉันแต่ในบาท น, นะภาชนะเดียวนะอย่างอื่นมาประเคนพอแล้วบางองค์ก็ตั้งไว้ว่าเวลาบิธทบาทนะต้องตามนะดับตรองนะไม่ใช่ไปตามสกุลที่เราชอบหรืออุปถาบนะไปตามระเบีบต่อเพื่อขัดเกลาในเรื่องรสาหารนะบางองค์ก็บอกว่าเอานั่งอย่างเดียวนะ มีอริยบทยืนเดินนั่งเป็นที่สามอริยบทที่สามนี่พอแล้วไม่มีนอนเพื่อเป็นการขัดเกลาที่จะให้ตื่นตลอดเวลานะถ้าจะหลับก็นั่งหลับนี่แหละนะเพื่อที่จะได้ปรึกชื่อจะได้เจริญ <c oughs> วิปัสสนาสมาธิวิปัสส <c oughs> นาะได้ได้มากนี่นะนี่ก็เป็นทุดดงที่เข้มข้นที่ที่ที่เป็นพระไม่ใช่ง่ายนะครับหรือว่า ทุดงบางข้อนะครับอยู่กลางแจ้งนึกไปอ่อเหมือนกันนะไม่ยอมอยู่ในที่มุงบางนะเห็นว่าในอักขะกล่าวว่าเป็นเป็นข้ า, ากระโจมอยู่เท่านั้นนะนะบางองค์ก็สมาทานว่าเขาจัดเสสนะเสนาสนะอะไรให้อยู่ก็อยู่นะไม่เลือกไม่เลือกนี่นะฮะ ก็มีถึง13ข้อเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นการขัดเกลาอย่างยิ่งยวด น, นี่แสดงให้เห็นว่าการเปรียบเทียบชีวิตคารวาสคขาฤหัสกับบรรพชิตเนี่ยแตกต่างกันอย่างเนี้ยแล้วทําไมจะมาบอกว่าเอ๊ะมันก็บรลุเหมือนกันหมดทําไมจะต้องไปทรมานอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าพญามิลินหรือว่าพระเจ้ามิลินเนี่ยก็สงสัยอย่างนี้ใช่ไหมครับการ การปฏิบัติเช่นมีกองศีลสีก็ดีสิขาบวชร้อยหก็ดทีทุดงคุณทุดงข้าคุณส3าก็ดีไม่มีเหลือเลยก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติชอบทำยยยธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จได้ไซพระคุณเจ้าในบุคคลสองจำพวกนั้นผู้เป็นคารืหัดก็ดีผู้เป็นบนรรพชิตก็ดีจะมีอะไรเป็นข้อที่แตกต่างกันเล่าการบำเพ็ญตบะก็เป็นอนุว่าไร้ผล หมายความว่าท่านอยู่ในเพศบรรพชิตนี่นะครับถึงจะบำเพ็ญอย่างนั้นเนี่ยอืมก็ไม่น่าจะมีผลนะการบวชก็เป็นอันว่าหาประโยชน์ไม่ได้การรักษาสิกขาบทก็เป็นอันว่าเป็นหมันการสมาทานทุดงก็เป็นอันว่าเหลวเปล่าเนะ นี่แสดงว่าสมัยก่อนนี้ท่านสนทนาทำกันเป็นเรื่องที่าถามกันจริงๆนะจริงๆจังๆนะลึกๆเลยนะประโยชน์อะไรด้วยการสั่งสมแต่ความทุกข์ยากในความเป็นบนรรพชิตนั้นเล่าเห็นไหมเพราะมีความสุขสบายอย่างนั้นก็อาจบรรลุได้ไม่ใช่หรือก็เป็นอย่างคารวะเนี่ยคารินเนี่ ย, ยก็แสนจะสบายนอนเบียดกับลูก นอนเบียดกับสามีก็ยังบรรลุได้ทำไมจะต้องมานั่งทร ม, มานถือธุ ด, ดงค์ขนาดนั้ น, นแสดงว่าพญามิลินนิมไม่ธรรมดานะถามลึกซึ้งเลยอ่ะน ะ, <c oughs> ะเวลาหมดชาอย่างเลยอ่า <c oughs> พัฒนาเกษณ์นะตอบขอถวายพระพรมหาบพิษ พระผู้มีพระภาคทรงพาษิตความข้อนั้นไวจริงคือพระองค์ตอบได้อย่างนั้นจริงนะว่าทั้งขรหัดและบรรพชิตเนี่ยถ้าปฏิบัติชอบแล้วบรรลนะุแล้วมีตัวอย่างเยอะแยะในแคว้นมคตมีพระองค์เทสนาหนึ่งนะมีผู้บรรลุเป็นแสนขรืหัดตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่นะบนรรลุตั้ง3ามสี่แสน นะครับมีปรากฏตัวได้คห้ชัดเลยนะฮะอย่างเช่นในที่พระองค์เนี่ยโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะวันที่พระองค์นี้เข้าไปในเมืองมักคตอะเมืองราชะครึกนั่นะมีประชาชนเข้าไปไปหาท่านเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในสิบเอ็ดนหุต1ิบเอ็ดนหุตก็คือสิบเอ็ดหมื่นนะแสนหนึ่งหมื่น พระ อ, องค์นี้แสดงอนุปุพพิถาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยสิบสิบนะหนึ่งหมื่นไม่ใช่ก็ไปก็คือบรรลุหนึ่งแสนนั่นเองครั้งแรกเนี่ยนะไปเมืองมคธเนี่ยตรัตธรรมะบรรลุหนึ่งแสนเลยเป็นค า, ารวะนี่ก็บรรลุงไงกันเนา ะ, ะคำว่า คขาเรื่อรื่องหัดหรืองคาราว่าเนี่ยนะแม้แต่เทวดาก็ต้องถือว่าเป็นเขาเรื่อหัดนะเทวดานะ่ะอยู่สุขเราเท่าไหร่ยังบรรลุได้นี่นะเพราะฉะนั้นเราอธิษฐานไปเกิดเป็นเทวดาดีไหมแล้วบรรลุบนนู้ น, นมันสบายนะกลัว <c oughs> <c oughs> จะไปติดหนับอยู่ที่นั่นนเสร็จเลยนะแค่กามหยับหยามนี่ยังติดแล้วนะกามที่เป็นทิพยนะ์เนี่ยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ พระนักเกษมบอกขอถวายพระพรก็แต่ว่าผู้เป็นบรรพชิตเท่านั้นย่อมเป็นอิสระนะพระนักเกษมก็ตอบบอกว่าผู้เป็นบรรพชิตเท่านั้นย่อมเป็นอิสระ ต, ต่างจากข้าราชกนะเ ป, นเป็นอิสระอย่างท่านเนี่ยเป็นอิสระจริงไหมมากกว่าเรานะมากกว่าเรานะท่านจะไปไหนก็เหมือนคำนกอะไม่มีอะไรติดตัวไปนะ ไปได้เปลอะเลยอย่างเราไปไหนนี่มันโหกระเป๋าใบเบลล์มเลยนั่นลากกันขึ้นเครื่องบินขึ้นรถบรรทุกเต็มท้ายรถเข้ากรุงเทพทีเนี่ยนะคุณน้อยกระเป๋าใหญ่ไม่พอยังมาเบียดเบียนพอบิ๊กอะไรเงี้ยนะคือมันไม่อิสระจริงๆนะไปไหนก็เนี่ยนะติดตัวไปด้วยอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะเครื่องบินก็โหลากกันโกกากกองมีล้อเข็นมีอายโอ้โหถาเพื่อจะขนตามมาลากจริงๆเลยนะโอ ขอถวายพระพรก็แต <ste ่ว่าผู้เป็นบรรพชิตเท่านั้นย่อมเป็นอิสระเป็นใหญ่แห่งสามัญญผลเป็นใหญ่แห่งสามัญญผลสามัญญผลนี่ก็หมายความว่าผลแห่งการบำเพ็ญสมณธรรม ผลแห่งการบำเพ็ญสมัตถธรรมก็คืออะไรครับคุณผูชผลที่ได้รับสุดท้ายเลยคืออะไรเออก็เอาใช้ได้ใชได้นะตั้งแต่มรรคทั้งหลายนั่นแหละโซตั้งแต่ผลทั้งหลายนั่นแหละโสปาปฏิพนนาคามีผลสกทาคามีผลจนทั้งอรรถผลนั่นแหละนะเป็นใหญ่แห่งสามัญญผลขอถวายพรอะพรอการบวชมีคุณมากมายมีคุณหลายอย่างมีคุณหาประมาณมิได้ บุคคลไม่อาจทำการนับคุณของการบวชได้นะแสดงว่าบวชมีคุณมากนะนขอถวายพระพรบุคคลไม่อาจทำการนับลูกคลื่นในมหาสมุทรได้ว่าในมหาสมุทรมีลูกคลื่นอยู่เท่านั้นเท่านี้ได้ฉันใดขอถวายพระพร การบวชมีคุณมากมายมีคุณหลายอย่างมีคุณหาประมาณไม่ได้บุคคลไม่อาจทําการนับคุณของการบวชนั้นได้ฉันนั้นเหมือนกันแสดงว่าเรื่องการบวชนี่มีคุณมากนะเราเมื่อไรบวชกันที่คุณชูแสดงว่าบวชนี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะ พระนกเกษณก็นะพระนกเกษณ์ก็กกอตอบต่อไปนะขอถวายพระพรกิจที่ควรทำกิจที่ควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งกิจทั้งหมดนั้นย่อมสำเร็จได้โดยพลันทีเดียวแกผู้เป็นบนรรพชิตนะข้อนี้สำคัญนะกิจที่ควรทำอ่ะพอขึ้นชื่อว่ากิจนี้คืออะไรคุณมชู อืมก็หมอได้นะหมอกิจกิจที่สำคัญเราได้ยินบ่อยๆกิจอนะคือหน้าที่นะหน้าที่ของใครครับของใครครับหน้าที่ของเรานะที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออริยสั์สีนะนะั่นน่ะมีกิจอะไรบ้าง มีกิจอะไรบ้างครับที่จะต้องปฏิบัติต่ออริยสัตสี่เนี่ยเช่นทุกขสัจเราจะต้องมีกิจหน้าที่อะไรต่อต่อทุกขสัจครับแมเก่งมากเขาเรียกว่าปริญญายากิจปริญญา ญ, ญานะกิจที่ควรกาหนดรู้ปริญญาแปลว่ารู้รู้รอบนะปริญญากิจกิจที่ควรรู้ถามว่ารู้ไปถึงขั้นไหน มีกี่มี ก, มกี่มีกี่ขั้นมีกี่ขั้นครับหมอสามขั้นอะไรบ้างครับยาตัปริญญาตีแล้วปริญญาป่าหานปริญญาโอ้เก่งทุกคนเราเห็นว่ากิจของเราอะนะที่จะต้องกระทำต่อทุกขษัสต์เนี่ยซึ่งหนึ่งในสีของอริยศัสตร์เนี่ยคือกำหนดรู้แล้วไม่ใช่รู้เล็กน้อยนะเนี่ยรู้ตั้งโอ้โห เยอะเลยแล้วกิจหน้าที่ของเราที่จะต้องกระทําต่อสมุทัทยศัสตร์คืออะไรครับอ่าการละละละมีกี่อย่างละมีกี่อย่างสามอย่างโอ้เก่งมากเลยมีอะไรบ้างครับเออใช่วิคัมพนะละแบบวิคัมพนะละแบบแต่ทังคะและแบบ สมุชเฉ็สมุชเเฉ็ดปหารนะปะหารไปว่าละนะเรียกว่าปะหานกิจนะสำหรับสมุทรทยศัตร์เนี่ยกิจที่เราจะต้องกระทําต่อสมุทรยศาสตร์คือปหานกิจเมื่อกี้นี้ปริญญากิจทําให้เป็นปรญญาเอกเป็นใช้ได้นะอ่าแล้วก็นิโรธทศศัพท์อะอะไรครับกิจคืออะไรทําให้แจ้ง เรียกว่าอัดอะไรนะตัชิกาทัพพะอ่าสัชิกิริยาก็เอาว่าตามนั่นเลยเนาะสัชิกิริยาการกระทำสัชิก็แจ้งนะคือหน้าที่ของเราในเรื่องนิพพานเนี่ยคือทำให้แจ้งถามว่าแจ้งอะไรบ้าง ตั้งแต่โลกียมักไปถึงโลกุตระ ม, มักจนทำให้แจ้งใช้ได้เนี่ยนะแล้วก็คือมรรสัดอะเรียกว่าภาวนากิจภาวนากิจ น, นี่ก็คือหน้าที่จะต้องทําอะไรครับทําให้มีมากๆขึ้นนะไม่มีทําให้มีมีแล้วทําให้มากๆขึ้นเรียกว่าจเจริญ น, นะภาวนากิจนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับท่านบอกว่า ขอถวายพระพรกิจที่ควรทําอย่างใดอย่างหนึ่งกิจทั้งหมดนั้นย่อมสําเร็จได้โดยพลันทีเดียวแก่ผู้เป็นบรรปัญชิตแต่ไม่เร็วพลันอย่างเราคลาว่านนะอย่างคลื่นหัดนะหาสําเร็จได้โดยพลันแก่ผู้เป็นคลื่นหัดหม่ะเน้นตัด้วยดีเพราะเหตุไรหรือขอถวายพระพรผู้เป็นบรรพชิตเป็นผู้มักน้อย นะแสดงว่าเรามากมากสันโดษบรรพชิตสันโดษนะเราไม่สันโดษสงัดวิเวกเราไม่สงัดเราชอบสนุกเราชอบออไม่คลุกคลีด้วยมูแต่คเรือหัดชอบคลุกคลนะีปลารบความเพียรบรรพชิตมีแต่เราน้อยมาก นะไม่มีที่อยู่บรรพชิตไม่มีที่อยู่นะครับไม่มีบ้านไม่มีบ้านแต่เรา ม, มีถามว่ามีบ้านดีไหมใครใครไม่เห็นโทษภัยของบ้านก็มีบ้านใหญ่ๆก็เถอะจะรู้สึกมีศีลบริบูรณ์บรรพชิตมีศีลบริบูรณ์บรรพชิตที่ดีนะไม่ใช่บรรพชิตทั่วไปนะ แต่เราศีนกับพ่องกับแ่งแหมคแค่ห้า้อนี่กับภูมิใจเต็มทีอยู่แล้วนะมีความประพฤติขูดเกากิเลตอืมนะเช่นมีวัดปฏิบัติในเรื่องทุดงเนี่นะแต่เราไม่มีครับไม่ค่อยขัดเกากิเลตพอกกิเลตฉลาดในข้อปฏิบัติที่เป็นองคุณ กำจัดกิเลสเพราะเหตุนั้นกิจที่พึงทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่กิจทั้งหมดนั้นย่อมสําเร็จได้โดยพรันทีเดียวแกผู้เป็นบรรพชิตเพราะฉะนั้นหน้าที่สี่อย่างเนี่ยนะบรรพชิตเนี่ยได้เปรียบกับเราเยอะหาสําเร็จโดยพรานแกผู้เป็นครื่องหันไม่ขอถวายพระพรมหาบาพิษเปรียบเหมือนว่าลูกสรที่ปราศจาก ปมขัดเรียบร้อยตรงดีไม่มีสนิมลูกศร น, นะสมัยโบราณก็เปรียบเป็นลูกศร น, นะ mm hmm. เวลานายขมังธนูยิงไปก็ย่อมไปด้วยดีนะฉันใดขอถวายพระพรกิจที่พึงทําอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่กิจทั้งหมดนั้นย่อมสําเร็จได้โดยพลันทีเดียวแก่ผู้เป็นบนรรพชิตหาสําเร็จโดยพรันแก่ผู้เป็นเครื่องหันไม่ฉันนั้นเหมือนกันแหลเพราะฉะ น, นั้นเราจะเห็นว่า กิจเหล่านี้เนี่ยนะท่านที่อยู่ในท่านที่เป็นบรรพชิตเนี่ยท่านจะตรึกท่านจะทำหน้าที่กิจไม่ว่าประเภทที่จะเป็นยากิจก็ดีภานักกิจก็ดีเนี่ยท่านทําได้มากกว่าเรานะของเราทําเล็กๆน้อยๆโทรศัพท์กริ้งก็คือเวลาอีกแล้วเนื้อดีก็เสียงเนือลูกเต้าก็รบกวนอีกแล้วเดี๋ยวก็สามีภรรยาก็เรียกอีกแล้วเดี๋ยวก็โอ้เรื่องเยอะนะ มันพรชิดไม่มีเพราะฉะ น, นั้นนี่นะครับใครไปชวนพระศึกนี่ไม่ดีนะใครไปชวนพระศึกนีไม่ดีนะจะบอกให้ ม, มีโทษอ่ะนะแล้วก็เราก็ถ้ามีโอกาสบวชก็บวนนะ อันที่คําตอบ ต, ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเรามีเยอะนะในเนี้ยน่าอ่านน่าอ่านไหมหมอเออน่าอ่านนะ อ, อแต่อ่านหรือเปล่ายังนะยังยังยังยังยังยัเดี๋ยวนะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะอ่ ะ, อ ะ, อะเล่นใหม่เออนี่ถ้าใครอยากได้นะนี่ทําบุญนิดหน่อยนะทําบุญนิดหน่อยส่งเงินไปนี่ที่มูลนิธิ มูลนิธิปรานีสำเริงราชนะมูลนิีิปรานีสำเริงราชนะใครใจทยไว้ก็จดไว้หน่อยจทไว้หน่อยสัมเริงราชราชยราชละยอยกัลรังเนี่ยนะปรานีสำเริงราชมูลนิธินะเดี๋ยวผมจะหาที่อยในิดนึง สำนักงานตั้งอยู่ที่วัดเขาสนามชัยวัดเขาสนามชัยตำบลหนองแก่ตหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบโทรพท์ไปหน่อยก็ได้ศ3 2ย์สามสองห้าหนึ่งสองห้าแปดเจ็ดนะ สำนัก ง, งานตั้งอยู่ที่สำนัก ง, งานปฏิบัติธรรมวัดเขาสนามชัยตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบโทรศูนย์สามสองห้าหนึ่งสองห้าแปดเจ็ดขอแล้วฮะทนขาท่านอยู่นั่นนะฮะอ๋ออถ้าว่าเราสนจเขาเขาแจกฟรีหรือซ้ำานะเนะสามเล่มนะเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามขอทั้งสามเล่มมาเลยมาเก็บไว้ก่อน นะอุ่นๆใจไม่ในตู้ก่อนนะไว้อีกสิบปีแค่มาอ่านแบบผมอผมมากกว่าสิบปีนะนี่เล่มเก่าผมหนาเท่านี้นะแล้วก็กําลังจะให้กําลังจะให้คุณสนานอีกแล้วนะกําลังจะให้คุณสนานอีกแล้วอก็นี่เรื่องเรื่องก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับอท่านจะมีอะไรจะเพิ่มเติมหน่อยไหม ะจะมีจะมีปัญหาอะไรไหมครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องความเข้าใจในเรื่องกรรมนี่นะครับผู้ที่ยังเข้าใจเรื่องกรรมที่เข้าใจไม่ตลอดเนี่ยยังมีมันยังมีอีกเยอะแล้วเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับผู้ที่เข้าใจว่าอะไรทุกอย่างเนี่ย เป็นเรื่องของกรรมบรรดาลมาให้ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยนะเจ้ว่าผิดไหมไม่ผิดจะว่าถูกก็ไม่เชิงนะเจ้ว่าผิดก็ไม่เชิงถูกก็ไม่เชิงนะเช่นสมมว่าท่านมาเนี่ยท่านบอกว่าไงยังไงยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะเราทํากรรมมาจะต้องมาเจอพระสมบัติอย่างเงี้ยอย่างนี้ถูกไหมนี่ยผมยกตัวยอย่างให้ฟังเนี่ยอ่ะยังไงยังไงท่านต้องมาเจอพระสมบัติ เพราะถ้าทํากรรมไว้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะเพราะไม่มีไม่มีเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยนะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยทั้งสิ้นก็มีนะแต่ว่าถูกไม่หมดนะถูกไม่หมดเนี่ยเอาท่านเข้าใจาว่าไงครับท่านเชื่ออย่างนั้นไหมว่าท่านมาเนี่ยมาเจอพระสมบัติเนี่ยมาเจอมาได้ฟังพระสมบัตินะแสดงธรรมเนี่ย เพราะยังไงยังไงท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านต้องฟังจนได้แน่นอนจริงไหมฮะยังไงครับ ม, มันมันน่าจะเป็นทั้งสองอย่างนะคือว่าวิบากเก่าก็มีอ่า เ, เ, เป็นวิบากด้วยแล้วก็เป็นเป็นกรรมใหม่ด้วยเป็นเหตุใหม่ถ้าจะวิจัยเรื่องตรงนี้นะ <c oughs> เราต้องมาแยกว่าอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมใช่ไหม อย่างเกี่ยวข้องเนี่นะถ้ายมไม่อยากเห็นนะก็หลับตาซะหลับตากรรมก็ให้ผลไม่ได้แล้วจิตเห็นที่จะเห็นใครบางคนเนี่ยก็เห็นไม่ได้แล้ว้เราก็ต้องมาแยกว่าอะไรเป็นผลของกรรมใช่ไหมอย่างตาเรามองเห็นเนี่ยอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมตาของเราเนี่ยเป็นผลของกรรมจิตเห็นเป็นผลของกรรมสีที่เห็นบางอย่างนี่ไม่ใช่ผลของกรรมอย่างเช่นเสื้อผ้าไม่ได้ผลของกรรมแน่นอน ใช่ไหมเราก็ต้องมาค่อยๆแยกว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมนั้นอย่างรูปธรรมนั้นปัจจัยแห่งรูปธรรมมีทั้งกรรมจิตอุตุและอาหารใช่ไหมสี่อย่างนั้นเราจะไม่โยนให้กรรมทั้งหมดด้วยใช่ไหเช่นท่านไม่สบายเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าบอกว่ายังไงยังไงวันนี้ท่านต้องเจ็บคอเนี่ย <c oughs> ผิดตัวถูกเพราะทําทกรรมไว้อะทํากรรมไว้ต้องเจ็บคอเนี่ยท่านบอก พิธาตูครับเพราะเราโยนให้กรรมเดียวอย่างเดียวเลยเพราะว่าคารที่เจ็บคอเนี่ย <c oughs> นะสมุทฐานมีตั้งเยอะนะอะเดี๋ยวจะยองของวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเจ็บคอนะเอาคนเจ็บคอวิจัยเรื่องเจ็บคอก็ครับนะอ่าเอามีสูตรอยู่ว่ากายใช่ไหมตัวคอนี่ก็คือกายกระทบกับโพธพภะโพธาพะที่ทําให้ระคายเคืองคอนั้นก็คือเป็นประเภทความร้อน เป็นเตโชธาต์เตโชธาต์อันนี้ก็ะทบกับกายเข้าใช่ไหมก็เกิดกายวิญญาณเราจะรู้สึกระคายเคืองหรือเจ็บนะ อ, องค์ประกอบก็ต้องกายโพธพภะโพธพภะนี่ก็คือความร้อนกายวิญญาณจึงเกิดถามว่าความร้อนที่เกิดในการเจ็บคอเนี่ยความร้อนอันนั้นเกิดจากปัจจัยกี่อย่างบางคนเนี่ยนะเพราะรับประทานอาหารผิด อาหารแสลงในยะหนึ่งในยะหนึ่งก็อยู่ที่ที่จิตด้วยบางบางคนเนี่เครียดมากๆเนี่เจ็บคอนะคือจิตบางอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยให้อความร้อนอันนั้นเกิดขึ้นได้หรืออุณหภูมิในร่างกายส่วนหนึ่งที่มาจากกรรมมาจากจิตมาจากอุตุอันนี้ก็เป็นความร้อนอันนั้นก็ได้ทั้ความร้อนที่เกิดขึ้นในลําคอนั้นเกิดจากสมุทฐานทั้งสอย่างเลย แต่กายตัวนั้นเนี่ยนะเป็นผลของกรรมแต่คำว่ากรรมอะไรที่มาเบียดเบียนกาย น, นั้นเป็นอุปปิระกกรรมมาเบียดเบียนตัวกายแต่โพธะเกิดจากสมุทฐานสี่ตัวกายเนี่ยนะอกุศลมาเบียดเบียนอันนั้นกรรมกรรมแล้วก็ประโยคะวิบัติ ด, ด้วยประโยควิบัติเป็นยังไงรู้ไหมบอกพูดมาก อาการพูดมากถือว่าเป็นประโยคน์ขาวิบัติที่จะให้กรรมให้ผลได้ถ้าไม่พูดซะนะเงียบๆสักไม่กี่วันเนี่ยมันก็หายแหลนะกรรมก็ก็ไม่สามารถจะให้ผลทั้นกรรมจะให้ผลได้ต้องอาศัยหนึ่งกาละด้วยที่มันเป็นก็คือกาละในยุคไหนอก็คือยุคที่อากาศมันเย็นกาละที่น้าค้างมันลงแล้วเราไปตากนะแล้วก็คติคติก็ได้ละอุปธิ อุปทีก็วิบัติน ไ, ไม่สวมอะไรสักอย่างไปตักสบายๆเลยแล้วก็ประโยค่าก็วิบัติด้วยแล้วก็ชีวิตประจำวันก็ใช้ประโยค่าวิบัติในเฉพาะกรรม น, นี้นะแต่ก็ไปเป็นสมบัติกับอีกเรื่องหนึง่งนะทำเหตุที่ไม่ดีสำหรับเรื่องนี้แต่ก็ไปเป็นเรื่องดีอีกเรื่องห น, นึ่งแ้วเราก็จะรู้ว่ากรรมจะให้ผลได้มีปัจจัยตั้งหลายตัวแล้วก็ที่เราเจ็บเนี่ยไม่ได้เกิดจากกรรมอย่างเดียวใช่ กายะวิญญาณที่เกิดขึ้นในขณะเจ็บค น, นั้นนะ่ะอย่างกายก็เป็นวัตถุให้เตโชธาต์ก็คือเป็นอารมณ์ให้นะกายยะวิญญาณนั้นก็เกิดขึ้นนี่เราก็มาค่อยๆแยกไปว่าโพธภะเนี่ยเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารกรรมเหล่านั้นเนี่ยมาจากกรรมชนิดไหนบ้างจิตชนิดไหนบ้างที่ทำให้เกิดการพูดการขยับนะก็มาค่อยๆวิจัยตามนั้นไปอีก แล้วก็พิจารณาเรื่องนี้โดยขันทาริยตนะลงไปก็สามารถที่จะศึกษาเรื่องวิปัสสนาในขณะที่พูดก็ได้ในขณะที่เจ็บคอก็ได้ครับเอคุทนเบาๆหน่อยครั บ, รบเดี๋ยวจะเจ็บคอประยคุคะไม่ดีแล้วครับตอนนี้เราเราตั้งปัญหาใหม่นะเราเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมได้ไหมไม่ต้องพูดถึงเนาะแก้ไม่ได้ถูกไหม กรรมมันทํำมาแล้วอ่ะเราบอกว่าแก้กรรมได้ไหมพูดอย่างนี้ผิดเพราะพูดขึ้นชื่อว่ากรรมเนี่ยกรรมเก่าเนี่ยแก้ไม่ได้แต่กรรมใหม่แก้ได้นะกรรมเก่าแก้ไม่ได้แต่กรรมใหม่แก้ได้นะแล้วแต่เรานะเนอะแล้ววิบากแก้ได้ไหมคุณมชูแก้ได้ไห ม, ม, ไไหมวิบากฮะวิบากเขาแก้ได้เชื่อไหม อาคุณมุชูหลับตาที่ไม่เห็นผม อ, ะอ่ะอ้าวแก้ได้นะเออเพราะนั้นเราเห็นว่าเรื่องกรรมและวิบากนี่นะไม่ใช่พูดง่ายๆนะไม่ใช่เข้าใจเออง่ายๆว่ากรรมและวิบากมันพูดง่ายนะแต่ว่าคนเข้าใจครับตอนนี้ถามว่าวิบากแก้อย่างไงวิบากไม่ใช่ว่าอาจจะแก้วิบากให้หาย เลี่ยงไปเลยได้ไหมทำไมอ่ะอ้าวก็อย่างพระอาหารหันทร์ท่านท่านแก่เกลี่ยงไปเลยอ่ะทำไมทําไม่ได้หมดไปเลยอ่ะหลังปณิธานแล้วอ่ะไอ้วิบากทั้งหลายกรรมทั้งหลายก็จเจ้ากันเลิกหมดแก่ได้ไหม แล้วก็วิบากเนี่ยนะเราขอผัดผ่นมันได้นะเราขอผัดผรมันได้นะถ้าเรามีปัญญาถ้าเรามีปัญญานะเราผัดพรมันได้นะแกอย่าเพิ่งให้ฉันเลยถ้าเรามีปัญญาแก้ได้นะหรือว่าเราอยากจะเออลับมากๆเลยก็ยังได้นะเออเอามาเอามาเยอะๆฮะก็เรื่องประโยค้าไงก็เรื่องประโยชะเรื่องประโยชค้าไงฮะ ประโยค่านี่แหละมันแก้ได้หลายอย่างน ะ, ะสมมติว่าเราเรากำลังจะได้รับกรรมหนักๆเนี่ยนะเรารู้แล้วแ น, แน่นอนเลยเนี่ยเราจะต้องได้รับกรรมหนักแน่นอนเนี่ยนะแล้วเราหาวิธีแก้ไขเนี่ยเราแก้ได้ไหมเราแก้ได้นะเพราะว่าเรามีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเนี่ยรออยู่อะแล้วแต่ว่าเราจะ เปิดประตูไหนให้มันออกมาเราจะปิดประตูกรรมชั่วไว้ชั่วข้าวก่อนก็ได้แล้วเปิดประตูนี้ไว้อยู่ที่ตัวเราอะเพราะฉะนั้นกรรมในปัจจุบันนี้จึงมีอิทธิพลมากที่จะให้วิบากให้ผลนี่มีมีอิทธิพลมากมากเลยนะการคิดการนึกการกระทำทางกายทางวาจาทางใจทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยจึงมีความสาคัญมากเลย อีกในัยยะหนึ่งถ้าจะคิดนะว่าเราจะให้กรรมให้ผลแบบไหนก็ได้เยอะนะในเชียงใหม่นี่นะเรามีสิทธิ์ไปนั่งได้หลายสิบแห่งไม่ต้องมานั่งตรงนี้ได้ไหมได้ไดเข้าไปนั่งห้างสปปรรพสินค้าได้ไหมได้ไดร้านอาหารได้ไหมซูเปอร์มาร์เก็ตในที่ต่างๆก็ได้เราจะรับพิบากแบบไหนอ่ะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ที่บุญค่อนข้างมากนะของเก่ามาค่อนข้างมากจริงๆริงเมื่อมากนั้นสา ม, มารถที่จะเลือกทําได้นัเลือกอยู่อย่างได้เลย เลือกนั่งยังได้เลือกคุยยังได้ถ้าประโยค่ดีเนี่ยอยากให้เขาพูดกับเราเพราะเพราะเรายัางทําได้ใช่ไหมถ้าเรามีประโยค่ดีเพราะฉนั้นประโยค่นั้นเป็นเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะให้กรรมให้ผลหรือไม่ให้ผลแต่ถ้ากรรมหนักจริงๆนะเช่นกรรมประเภทอุปเชษฐกกรรมกรรมที่มาตัดรอนให้อายุสั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะถ้ากรรมมันให้ผลมันหนักจริงๆเนี่ยยังไงก็ตาย อยู่ตรงไหนก็ไม่พ้นอยู่บนเครื่องบินก็ตายอยู่ในอากาศก็ตายนกเนี่ยบินเนี่ยถูกสอยร่วงเลยนะอยู่ในเรือมหาในเรือก็ตายอยู่ในถ้ำในเหวก็ตายถ้ามันหนักจริงๆเนี่ยอุปเชทกกรรมมาเล่นงานแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อย่างพระโมคคัลลานะถูกทุบอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าถูกสะเก็ดหินเพราะเหตุที่ทำให้มันหนักมากนนเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวบอกว่า เราแก้ไขเปลี่นแปลงได้เนี่ยนะถ้าฟังไม่ดีจะกลายเป็นว่าเรามีมีอํานาจมีตัวตนอะไรที่ไปแก้ไขยอย่างนั้นแล้วทํามันไม่ขัดกับเรื่องกรรมหรอการที่เรามีประโยคคิดแก้ไขอะไรเนี่ยแล้วประสบความสําเร็จก็ดีไม่ประสบความสําเร็จก็ดีเนี่ยนะครับประโยคะอันนั้นเนี่ยนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราสะสมมามันก็เหมือนกับกรรมที่เราเคยสะสมมา ถ้าเราสะสมมาดีเรามีศิละปะในการแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประโยค่ะของเรามันก็ขึ้นอยู่กับกรรมนั่นแหละเพราะนั้นไม่ได้ผิดกฎแห่งกรรมเลยจผ่านและไอ้อยังหนึ่ยคําว่าประโยคะก็คือคําสอนของพระผู้มีพระภาคนะกรรมก็คําสอนของพระผู้มีพระภาคเรื่องประโยคะก็เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคนะนั้นแต่ว่าผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ต้องเข้าใจกระบวนการของปัจจัยเป็นอย่างดี นะเข้าใจระบบของปัจจัยเหมือนรถเนี่ยจะทำให้มันเสียก็ได้ใช่ไหม <S <S ถ้าเข้าเข้าใจกลไกของรถปั๊บจะทำให้รถเสียอะไรก็ได้ใช่ไหมลืมเอากุญแจมาก็กลับบ้านไม่ได้แนละ้วใช่ไหมท่านมาที่นี่เนี่ยนะครับเป็นประโยค่าอย่างหนึ่งนะครับท่านมาที่นี่นะฮะมาประชุมมาฟังธรรมตรงนี้เนี่ยนะครับท่านไม่มาก็ได้ครับไม่มาก็ได้ครับไปที่อื่นก็ได้เนี่ยนะแต่ที่ท่านมาเนี่ยนะครับ เป็นประโยชน์าอย่างหนึ่งนะครับเป็นประโยชน์าอย่างไรครับมันจะแก้ไขปัญหาระยะยาวให้ท่า น, นะนการแก้ไขปัญหาชีวิตในระยะยาวให้ท่านผลระยะยาวนะครับแล้วก็ถามว่าท่านมานี่เนี่ยกรรมส่งผลมาเปล่าแต่ว่ามาแต่ว่ากรรมมาไม่มีกรรมก็มาไม่ได้ดูว่าถ้าไม่ได้ทำไว้เลยนะครับก็ไม่มีสิทธิจะมานั่งตรงนี้มาได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่มาก็ได้ใช่ไหม ท่านจะไปที่ไหนก็ได้ท่านจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เป็นศาสนาที่โอ้โหอะไรก็ตายตัวกรรมง่ายๆอะไรอย่างนั้นเลยไม่ใช่เลยเป็นศาสนาที่เต็มไปได้วยเหตุผลแล้วก็มีการแก้ไขชีวิตปรับปรุงชีวิตได้ไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเบนตามกรรมอย่างที่เขาคิดเลยและอย่างหนึ่งคําว่ากรรมนี่ก็ควรทําความเขา้าใจให้ดีว่าไอ้คาว่ากรรมนี่หมายความว่าอย่างไรใช่ไหม กรรมใหม่หรือกรรมเก่าน ะ, ะส่วนหนึ่งนะที่ที่พูดถึงคำว่ากรรมก็คือหมายถึงกรรมในอดีตแต่ในในยะเดียวกันก็กรรมใหม่ด้วยนะเรานั่งนี่เป็นกรรมไหมนั่งอยู่นี่เป็นกายกรรมนะปารบการนั่งเนี่ยขีดเขียนเป็นต้นพุกนี้เป็นกายกรรมอาตอมาพูดอยู่นี่เป็นวจีกรรมนั่งคิดอยู่เฉยๆเนี่ยก็เป็นมโนกรรมดั้นเราเนี่ยํากรรมอยู่ตลอดกรรมใหม่ อาที่ว่ากรรมใหม่ก็คือการกระทำเหล่านี้เป็นไปตามอำนาจของเจตนาเจตนามีผลไหมมีผลมีผลอย่างไรเจตนานีมีผลอย่างไรบ้างนั่ <Okay. S 1> นะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ชาวนานะถ้าไร่เป็นชาวนะเลยดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้แต่ว่าจะให้ผลได้หรือไม่กาลคติอุปธิประโยคะอีกนะดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้า สองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปนะมันมีผลในะความคิดของเราเนะี่ยถ้าเราอธิบายในลักษณะที่ผู้ที่เรียนพระพิธรรมมานะเราจะเห็นว่าในชาวนาเจ็ดวงนั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะในมโนโทวารเนี่ยนะมีความสำคัญที่สุดเลยนะเราจะมองชาวนาเจ็ดวงนั้นในลักษณะที่เป็นโยนิโสโมนัสิการก็ได้ถ้าหากว่า มันจะไปให้ผลในอนาคตถัดต่อไปความคิดขณะนี้ชวนะขณะนี้เนี่ยนะถ้าแยบคายนะก็จะมีผลในอนาคตถัดไปนี่เรียกว่าโยนิโซมานาชิการใช่ไหมครับก็ชวนะอันเดียวนนี้แหละและถ้าว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาหรือว่าไม่แก้ไขปัญหาเราเรียกประโยค้าก็ได้เพราะมันเป็นอิทธิพลอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้รับวิบากดีหรือไม่ดีเนี่ย ขึ้นอยู่กับประโยค้าตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ไอ้ชาวนะเจ็ดตัวเดิมนั่นแหละเรียกเป็นเรียกเป็นเป็นประโยค้าก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะเรียกว่ามันเป็นการทํากรรมใหม่ก็ได้คือตรงนั้นเนี่ยในชาวนะเจ็ดดวงถ้าเราเรียนปัจจัยมาเราจะเน็ดถึงสงเคราะห์ลงเก้าชาติเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับชาติของปัจจัยอย่างไรบ้างใช่ไหม ในชาวนะนั้นถ้าพูดถึงลักษณะของสัมปยุตรธรรมแล้วก็เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นสหชาตชาตินะมีผลตรงๆงเลยขณะนั้นๆั้นแต่ถ้ามีผลในระยะอุปนิสัยอันนี้เป็นปกตูปนิสยชาติตะกูลอุปนิสัยเช่นฟังธรรมเข้าใจวันนี้วันต่ อ, ต, อต่อไปก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นอุปนิสยชาติ ประเภทประตูปานิสยาบชานเจตนาที่เกิดร่วมเป็นปัจจัยให้ผลอย่างไรต่อไปอันนี้เป็นกลุ่มอะไรนานัขาคณิก ก, กรรมชาติอันในที่เดียวกันนี่แล้วแต่จะมองเหมือนกับยมภู ก, การอย่างเงี้ยไงอยู่กับลูกเขาเรียกว่าพ่ออยู่กับแม่เขาเรียกว่าลูกอยู่กับเพื่อนเรียกว่าเพื่อนอยู่กับคุณนี่เรียกว่าสามีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าไปอยู่ที่ไหนในในสิ่งเดียวกันนั่นแหละ ชาวนะเดียวกันนั้นก็เหมือนกันแล้วแต่มุมมองนะหรือก็แล้วแต่เรื่องเวลาเราคุยเนี่ยเราประสงค์อะไรในการกล่าวถึงสิ่งนั้นๆอ่เพราะฉะนั้นก็ขอสรุปว่าการกระทําในปัจจุบันนี้นะฮะไม่ว่ากายวาจาใจในปัจจุบันนี้เนี่ยครับจึงมีความสำคัญมากๆเลย <inadvert ent> นะมีความสําคัญแม้ในปัจจุบันนะแล้วยังมีความสําคัญตอ่อไปที่จะมีผลต่อไปในอนาคตเนี่ยทั้งอนาคตใกล้ด้วยอนาคตไกลด้วยถ้าอนาคตใกล้ๆนี่ก็เป็นเรื่องของประโยค่นะถ้าอนาคตไกลๆนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของอจะต้องไปรับปิบากข้างหน้าเนี่ยจึงมีความสําคัญมากๆเจริญารและก็ความสําคัญอันนี้แหละในเรื่องของประโยค่หรือว่าสภาพจิตหรือชาวนะขณะนี้นมีความสําคัญมาก ชีวิตเราจะวิบัติหรือจะสมบัติจะดีหรือจะเสื่อมก็อยู่ที่ตรงความคิดขณะนี้ น, นะถ้าความคิดขณะนี้เราตั้งจิตเอาไว้ชอบทำมีคุณยิ่งกว่ามารดาแต่ถ้าหากว่าความคิดในขณะนี้เราตั้งไว้ผิดนะมีโทษยิ่งกว่าโจรอีกโจรเจอโจรเนี่ยมันไม่มีความปราณีกันฉันใดจิตที่ตั้งไว้ผิดจะมีโทษยิ่งกว่านั้นฉันการตั้งจิตนั่นแหละ ถ้าเรามีอัตตะสัมมาปณิธิอันนี้ถือว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นมงคลข้อต่อต่อไปด้วยเป็นเหตุให้ได้รับความเจริญอีกตั้งมากมายหลายย่าแต่บุคคลที่จะตั้งจิตไว้ถูกนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนจรงิจรงๆตั้งไว้อย่างไรนะจะจะไม่มีข้อมูลทั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสศึกษาพระธรรมคําสอนเอาพระธรรมคําสอนเป็นต้นเนี่ยเป็นสาระเป็นที่พึ่งแล้วตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมนั้นน่ย ทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วจะตอนนี้ก็คงหมดเวลาแล้วเนาะ